พระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนเหนือโลกเมื่อมีคำสอนใดเสียมาเหนือคำสอนพระพุทธศาสนาหรอกสอนใหท้ทรรมะหาเลี้ยงชีวิตในทางที่อชอบสอนให้เป็นคนขยันพุทธาตาเวทนทเตเทนังคนมันย่อมหาทรัพย์ได้เมื่อมันเล่นเรื่องเล่นพลาเล่นมัดเล่นเบือ มันทํางานในทางที่ชอบอย่าหากินในความฝันจงมันทํางานในทางที่ชอบพ ร, พ, อพระพุทธเจ้าสอนพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่ที่ไหนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ก็กลมกลืนกันอยู่ที่ตายวายกายใจถ้าเราเคารพนับถือถ้าเราไม่เคารพนับถือพุะธรรมสงฆ์ก็ไม่ได้อยู่ในที่นี้ก็อยู่ในที่อื่นพระธรรมสงฆ์ไม่ได้อยู่ในหนังสือภายนอก อยู่ในหนังสือกายหนังสือวาจาหนังสือใจความดีก็เหมือนกันไม่ไม่ใช่อยู่ในตดอดสระอีภายนอกความชั่วก็เหมือนกันไม่ใช่อยู่ในตชอสระอัวไม่เอกก็อยู่ที่จิตใจของพวกเราทั้งหลายที่ทำขึ้นนอกจากใจไม่มีอะไรจะทำดีให้ใจ นอกกาจก็ไม่มีอะไรจะทำชั่วให้ใจใจเท่านั้นทำดีให้ใจใจเท่านั้นทำชั่วให้ใจเมื่อใจทำดีทำชั่วแล้วผลของคนความดีความชั่วก็ไม่มีใครมาแย่งเอาก็คือใจเท่านั้นเป็นผู้ได้รับผลตามส่วนควรกล้าของอิจใจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นปัญหาไม่มีผู้ใดจะมายืนยันรู้แทนได้ เหตุนั้นพระบรมศาลาจึงสอนใจคนว่าใบาเสียจิตผิดมนุษย์พระบรมศาลาก็สอนไม่ได้ไม่ใช่รังเกียบเพราะเขาไม่มีที่รับจิตใจเขารับไม่ได้ไม่ใช่ท่านรังเกียจไม่ใช่ท่านลาเอียงทำดีก็ทำให้ตนคือใจทำชั่วก็ทำให้ตนคือใจอติอั ต, อตโนนาโถ ตนเป็นที่พึ่งของตนก็คือใจเป็นที่พึ่งของใจนั่นเองตนก็คือใจใจก็คือตนตาม Currently, บัญญัติสมมุติจะหลีกเลี่ยงไม่ได้จะคัดข้านก็ไม่ได้สมมติก็จริงตามสมมติเวมุตก็จริงตามเวมุตปรมัดก็จริงตามปรมัิจะคัดข้านไม่ได้เราก็จริงตามเราสิ่งที่ไม่ใช่เราก็จริงตามสิ่งที่ไม่ใช่เรา เรากรับสิ่งที่ไม่ใช่เราเราเป็นคําที่ตื้นที่สมมุติกันในโลกอันไม่ใช่เรามันเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นฝ่ายสังขารในธรรมะอันลึกซึ้งอัตเฮอั ต, ตโนนาโถตนเป็นแต่เพื่งของตนใจเป็นแต่เพื่งของใจก็มีความหมายอันเดียวกันใครจะสร้างความดีขึ้นก็คือใจเท่านั้นจะสร้างเมื่อความดีเต็มใจแล้ว ความชั่วก็หายไปลนะที่นั่นเองความดีตอนไหนมีอยู่ที่ใจกายวายกายไกความชั่วตอนนั่นก็หายออกกากกายวายกายไกลเหมือนกันถ้าดีไปทั้งหมดแล้วความชั่วก็เข้ามาใกล้ไม่ได้ถ้าความชัว่วมันชั่วทั้งหมดความดีก็เข้ามาใกล้มาได้เหมือนกันพุทธโธ ก็อยู่เที่ใจธรรมโมก็อยู่เที่ใจสังโฆก็อยู่เที่ใจเป็นเชือกสามกีเยียวเหนี่ยวรั่งกันอยู่เที่ใจผู้ถือผีผีก็อยู่เที่ใจผู้ใดบัญญัติดีชั่วถูกก็พระพุทธศาสนาเท่านั้นบัญญัติดีชั่วถูกดีก็คือใจก็คือบุญก็คือสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็คือสิ่งที่ไม่เป็นโทษชั่วก็คือบาปคือสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์คือสิ่งที่ชั่ว คือสิ่งที่ให้ผลเป็นทุกข์และเลิกได้ไม่เลิกได้ก็ดีขอมอบกายถวายชีวิตต่อพระพุทธธรรมประสงค์อยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าวโสกเนปพาและเลิกได้ไม่เลิกไดก็ดีขอขมาโทษต่อพระธรรมสงฆ์โดยกายวายชาใจอยู่ทุกเมื่อไม่มีประมาณตามเท่าเข้าวโสกเนปพาและเลิกได้ไม่เลไดก็ดี ขอทูลถวายสกลลร่ากายวายชายใจเป็นข้าเป็นทาสพระพุทธระธรรมพระสงค์อยู่ทุกเมือ่อไม่มีประมาณดาวเท่าเข้าสูพาส่พระธนปาลพ้นจากทุกนวตรตาสงสารโดยด่วนอยู่ทุกเมือ่อนั่นเถอดทำไมจึงเลื่อมใสพระพุทธศาสนาพระบาระมีแก่กรมมแล้ว ทำไมจึงเคารพเชื่อถือพระพุทธศาสนาเพราะบาลามีแก่ก้ามาแล้วทำไมจึงไม่เชื่อถือก็พระตรงกันข้ามลัมมูนาวัตติโลโก้สโลกเป็นไปตามคาไม่อยู่ระดับเดียวกันอยู่คนละระดับแต่ถึงจะอยู่คนระดับก็ตามก็คนชั่วก็มาจากคนดีคนดีก็มาจากคนชั่วนั่นเอง พระหันต์ก็มาจากพุทธชนคนหนานั่นเองผู้ที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาสอนพวกเราค็นีก็ามาจากมนุษย์นั่นเองแต่เจตนาต่างกันเจตนาเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าแต่พวกเราเจตนาเป็นสาวกหรือสาวิกามันก็เป็นเรื่องของเราเองเราเกิดมาเราเห็นอะไรบ้างแกก็แ ก, กอย่างผึ่งผาย เก็บก็เก็บอย่า ง, งผึ่งผายตายก็ตายอย่า ง, งผึ่งผายหิวก็หิวอย่า ง, งผึ่งผายร้อนก็ร้อนอย่า ง, งผึ่งผายนัติิโรเกระหัวนามะความลับไม่มีในโลกคือโลกหัวใจเราทำอะไรเราก็รู้อยู่เราเลื่อมใสพระพุทธพระธร ร, รมพระสงฆ์เราก็รู้อยู่เราไม่เลื่อมใสเราก็รู้อยู่ไม่มีที่รับเลย เราสงสัยอันใดเราก็รู้ว่าเราสงสัยอยู่เราไม่สงสัยอันใดเราก็รู้ว่าเราไม่สงสัยอยู่ใครจะไปรู้เท่าเราไม่มีในโลกอันนี้พระบรมศาสตราจึงสอนใจแห่งเดียวถ้าพวกเธอใจเป็นบ้าเบี้ยบ่ายเสียฉดีดพิษมนุษย์แล้วเราก็หมาท้นทางที่จะสอนพวกเธอพวกท่านพระบรมศาสตรานี่เห็นว่าพวกเธอพวกท่าน มีหัวใจพอที่จะรับได้อยู่จึงได้สั่งสอนเหิวนอนก็นอนเองเหิวน้าก็ดื่มเองหิวอาหารก็ทานเองเราต ถ, ถาคตจะทำแทนไม่ได้เหตุนั้นเราจึงเคารพทำถ้าทำไม่มีอยู่ก่อนเราก็สามารถไม่สามารถรู้ทาได้ทํามีอยู่ก่อนเราจึงสามารถรู้ทาได้เหตุนั้นเราจึงเคารพท ำ, ทำรธรรมรมค์มาซารา ถึงพวกเราจะไม่รับถือทำสักเพียงใดก็ตามทำทั้งหลายก็มีอยู่พวกเราจะเชื่อกรรมและผลของก ร, รมหรือไม่ก็ตามกรำรผลของกรรำที่ทํำดีก็มีอยู่ที่ทํำชั่วก็มีอยู่พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเอ๋ยพระบรมศาสดาไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อธาตุไฟก็มีลักษณะร้อนอยู่อย่างนั้นเองธาตุน้ำก็มีลักษณะซึมซาบอยู่นั่นเอง ธาตุดินก็มีลักษณะขั้นแข็งอยู่นั่นเองธาตุลมก็มีลักษณะพัดไปมาอยู่นั่นเองเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาธรรมะอันละเอียดก็เหมือนกันก็เป็นจริงอยู่อย่างนั้นสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วสิ่งนั้นก็แปรปรวนแตกสลายไปเราจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาก็เป็นจริงอยู่ไม่มีกลวันกลางคืนคือสังขารธรรมเราจงเป็นผู้มีอิสระทางธรรมดี ตามสติกำลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้มีอิสระทางทำชั่วมาเบียดเบียนตัวเลยพระบรมศาสดาสอนจงเป็นผู้ใจถึงในทางทำดีตามสติกำลังของตนเถิด อ, อย่าเป็นผู้ใจถึงในทางทำชั่วเลยตนจงเป็นผู้อาจฐานในความดีของตนตามสติกำลังเถิด อ, อย่าเป็นผู้อาจฐานในทางทำชั่วเลย เพราะทำอะไรก็ทําให้ตนทําให้ผู้อื่นไม่ได้เวลาขอคนมาช่วยงานให้ช่วยวานให้ช่วยนต่ไม่ใช่ทําให้คนอื่นหรอกหรือถ้าก็ทําให้ตนเองนั่นเอ ง, เ, องเราไปทําให้เขาดีเวลาเราไปวานเขาเขาก็ทําให้เราดีเหมือนกันเช่นคุณป้าไปไหนไปนั่นดอกคุณหนู อีพี่บ้ามึงไปไหนเอ๊ะรูกใครน่ะก็ทำให้ตนเหมือนกันนั่งก็นั่งให้เรายืนก็ยืนให้เราฟังก็ฟังให้เราเหตุกับผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุนอนผลก็นอนเหตุฟังผลก็ฟังเหตุเข้าใจผลก็เข้าใจเหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจ เหตุรักตาผลก็มืดเหตุลืมตาผลก็เห็นแม้ตแต่ที่มืดแล้ตาไม่ดีทําอะไรก็ทําให้ตัวทําดีก็ทําให้ใจทําชั่วก็ทําให้ใจพระใจเป็นผู้ได้รับผลจะไปเสดให้ตาหูจมูกเลี้ยงใจมันก็ไม่รับตาเอย๋ยใจเอย๋ยตาเอย๋ยครับมันก็แมลว่า หูเอ๋ยครับมันก็หมายว่าจมูกเอ๋ยครับมันก็หมายว่าเลื่นเอ๋ยครับมันก็หมยว่าปฏิเสธมันก็ไม่ปฏิเสธมิหนำซ้าใส่ชื่อลือนามให้เขาว่าตาหูจมูกเลื่นกายเขาก็ไม่รับไม่ปัดไม่วางเฉยด้วย ไม่มีใครใส่ชื่อให้ตนเองตนเองก็เอาโขนสวมหัวตนเองขึ้นว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจถ้าตอนไหนรู้เท่าใจก็ไม่เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใช่หรือไม่ <c oughs> ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีตาทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีหูทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีจมูก ทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีลิ้นทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีกายทำไมสัตว์ทั้งหลายจึงมีใจพระบรมศ า, ศ า, ศาลาผูกปัญหาขึ้นแล้วก็ท่านก็ตอบอีกเพราสัตว์ทั้งหลายชอบเลี้ยงแลดูรูปจึงมีตาชอบเลี้ยงแลชอบฟังเสียงจึงมีหูชอบดมกลิ่นจึงมีจมูกชอบ ริมรถจึงมีลิน้นชอบเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายจึงมีกายชอบทำมาลมเลือคิดจึงมีใจถ้าใจไม่มีปัญหาก็ไม่มีก็มดกันเรื่องปัญหาของใจปัญหามันมันมากเท็ดนั้นพระหันท่านจึงเบือ่อหน่ายตาหูจมูกเลื่อนกายใจไปซักเบื่อความหลงของตนที่เคยหลงว่า ตาเป็นเราเราเป็นตาหูเป็นเราเราเป็นหูเสียงเป็นเราเราเป็นเสียงกลิ่นเป็นเราเราเป็นกลิ่นถ้าอดีตทั้งอนาคตตั้งปัจจุบันด้วยเหตุนั่นท่านจึงเบื่อหน่ายคลายความหลงของตนไปสักอดีตคืออะไรคือเรื่องของตาหูจมูกเลี้ยงกายที่ร่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจที่ร่วงไปแล้วเหมือนกันปัจจุบันก็คือตาหูจมูกเลี้ยงกายใจยที่กําลังเป็นอยู่ ได้ได้ไดโกรกล้วนอ น, นิจจังได้ได้โกรกล้วนทุกขังได้ได้ไดโรคล้วนอนัตตาดาวสงสัยเลยนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยนี่คืออะไรนี่คือศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงอันนี้ไม่ใช่ศีลสมาธิปัญญาชั้นต่ำอันนี้ศีล ส, สมาธิปัญญาจะแยกกันออกไม่ได้มีในปัจจุบันกลมกลืนกันไปในตัว โลกมารวมอยู่ในโลกนี่คืออะไรกอคือก็คือสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรียกว่าโลกโลกตาโลกหูโลกกรมูโลกเล่นโลกกายโลกใจสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแล้วแตกสลายไปคําพูดแต่ละวัตรบาทพูดแล้วก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นแต่ละวัตรบาทรนึกแล้วก็ล่วงไปล่วงไปแต่เราพูดแต่เรานึกมานี่ มันก็จนนับไม่ไหวเอาไปขายที่ไหนใครเป็นผู้ซื้อไม่มีใครซื้อเลยก็เหมือนแดดเหมือนลมก็ว่างไปว่างไปว่างจากสับจากบุคคลตัวตนเราเขานี่ทำชั้นสูงธรรมดาลงน้ำลงเบื้องต้นก็ตืนต้ น, น, นเมื่อลงไปตะพึตดตะเพือก็ลึก ล, กลงไปลงไปลึกก็ลึ ก, ล, กลงที่ใจเพราะใจพาลึกตื้นก็ตืนต้นขึ้นมาที่ใจเพราะใจพาตื้น พูดมากก็มากออกมาจากใจพูดน้อยก็น้อยลงมาหาใจถ้าหารก็หานลงมาหาใจเยาวาหานก็หานลงมาหาใจซเอา้าชินห้าถ้าไม่ร่วงละเมิดทั้งห้าข้อก็เป็นเชือกห้าเกลียวอยู่ที่ดวงใจในปัจจุบันชินแปถ้าไม่ร่วงละเมิดก็เป็นเชือกแปดเกลียวอยู่ที่ดวงใจ อยู่ในปัจจุบันอดีตก็ล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาถึงเหตุฉะนั้นท่านตึงบัญญัติลงในปัจจุบันันจโยธรรมังผู้ใดเห็นธรรมในปัจจุบันผู้นั้นไม่งอนง่ายนคอนแคลนเลยศีลก็ตัดศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมันลงในปัจจุบันปัญญารอบรู้ลงในปัจจุบันตกลงศีลสมาธิปัญญากลมกลืนกันอยู่เหมือนหน้าเหมือนตาเอง เหมือนนังเหมือนกระดูกเหมือนกันจับนังกระดูกก็ถูกกระดู ก, กถูกเนื้อเห็นหน้ากันก็พูดย่อๆอ้ิี่แคก็เคยเห็นตาเห็นจมูกกันเหมือนกันแต่พูดอักษรยอ่อพุโทโธคําเดียวก็มีธรรมโมทรงอยู่ที่นั่นมีสังโฆอยู่ที่นั่นด้วยพุโทโธไม่พามาเกิดมาแกมาแกมาตายธรรมโมทรงไว้ซึ่งมาไม่มามาเกิดมาแกมาแกมาตายสังโฆแปลว่าปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่เก็บตายพุโทโธชั้นกลาง พุทโธชั้นสูงนงโมขอหน่อมๆไม่อยากมาเกิดแก่แกบตายธมโมก็ทรงไหวซึ่งไม่มาอยากเกิดแก่แก่ตายสังโฆก็ปฏิบัติเพื่อไม่มาเกิดแก่แกบตายนั่นถ้าพิจารณาอันหนึ่งถูกก็ถูกหมดถ้าพิจารณาอันหนึ่งผิดก็ผิดหมด ส, ส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วท่านรู้อดีตตามเป็นจริงของอดีต ท่ารู้อนาคตตามเป็นจริงของอนาคตถ้านรู้ปัจจุบันตามเป็นจริงของปัจจุบันอดีตคืออะไรคืออนิจจังที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออนิจจังที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคืออนิจจังที่กําลังล่วงไปอยู่นะเดี๋ยวนี้เองพูดคาไหนก็ล่วงไปคํานั้นนึกคาไหนก็ล่วงไปคํานั้นนี่คืออนิจจังอันละเอียดไม่อยู่ในวงแขนของท่านผู้ใดเลยเหมือนน้าไหลพอเราบัญญัติว่านี่ปัจจุบันมันก็ไหลไปแล้วนะ่ะ นั้นสิ่งที่มันวนวนเวียนอยู่อย่างนี้พอเราบอกว่านี่ปัจจุบันมันกวนไปแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าใครเป็นปัจจุบันอดีตอนาคตกวนเวียนอยู่อย่างนั้นดินน้ำไฟลม ภายในมันยืนยันว่ามันจะเป็นของพยาจิตราชหรือไม่มันก็ไม่ยืนยันใช่หรือไม่ข้านี้เองผมคนเลี้ยฟ น, นังเนื่อนก็อยู่เลื่อนในกระจกมากเมื่อเ น, นืน้อในกระดูกมากหัวใจตาปางปืดไตปอดใช่ใช่ใช่น้อยอ่านใหม่อ่านเก่านี้ข้าพรเจ้าเป็นธาตุดินข้าพระเจ้าจะอยู่ในวงแขนของพยาคิตราชเขาก็ไม่ยืนยันอีกเสียด้วยที่ธาตุน้ำธาตุดินธาตุน้ำเท่ ดีเศรษหน้องเลือดเหงือมันค้นน้ำตาไปมันน้ำลายน้ำมูกน้ำไขพ่พ่อน้ำมูดเราจะเป็นธาตุน้ำของพญายคิตราชเขาก็มาในยืนยันอีกด้ย่ย ไฟที่ยังกายให้อบอุ่นไฟที่ยังกายให้สุดโทมไฟที่ยังกายให้กระวนกวายไฟที่เผาอาหารให้น้อยเราจะเป็นไฟของพญาจิตราศเขาก็ไม่ยืนยันอีกเสียด้วยลมวัดขึ้นเบื้องบนลมหาวลมเลอลมอ้วกอออย่างนี้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเราจะเป็นลมของพญาจิตราศเขาก็ไม่ยืนยันอีกเสียด้วย ก็มีแต่พยาคิตราตมาหลงเขาเขาไม่ลงแก่เลยเขาก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นดินน้ําไฟลมอีกเชื้อด้วยนั่นสิ่งเรานี้เป็นหน้าที่ของจิตจะพิจารณาตั้งนั้นถ้าไม่นั้นแล้วก็จะหลงบวกหลงอยู่นี้ไม่แล้วไม่รอดเที่ยวมาเกิดแก่เก็บตายในวัฏตสตงสารอยู่นี้ไม่แล้วไม่รอดไม่มีเงื่อนต้นเงื่อนปลายเลย ชนะความหลงด้วยความไม่หลงข้ามทะเลหลงพระารหันท่านข้ามทะเลหลงไปแล้วเราจะข้ามทะเลหลงด้วยเครื่องบินมันก็ตกกลางทะเลตายมดน้ามันหรือถูกที่ภูเขาหิมอะไรอะไรไม่ทราบข้ามความหลงด้วยความไม่หลงข้ามความโง่ด้วยความไม่ง้อข้ามความขี้เกียจ ด, ด้วยความขยัน ข้ามความมุดทะยุทะลุด้วยความไม่มุดทะลุข้ามอบายมุกด้วยใบเล่นอบายมุกข้ามความชั่วด้วยใบร่วงละเมิดความชั่วข้ามความคิดหายด้วยไม่สร้างความชิดหายเมืองสวรรค์ใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระพู้เป็นเจ้าเขาใครของมันสร้างขึ้นเองนรกใครเป็นผู้สร้างขึ้นก็พระพู้เป็นเจ้าเขาใครของมันสร้างเองพระพู้เเจ้าจิตพระผุ้เป็นเจ้าใจสร้างขึ้น พญายามก็บอกว่าข้าพเจ้ามาจะสร้างขึ้นแล้วพญายามเอ๋ยอย่ามาทำโหดได้กับพวกดิฉันหรือพวกผมมากเถิดเขาทุราบ้าเออเราก็ไม่อยากเป็นพญายามพระบาลดอกแต่เราเคยเห็นเขาฆ่าสัตว์เราก็ดินดีกับเขา แต่เรามาได้ค่าตรรมผลของกรรมอันนั้นแหละจึงได้ให้เรามาคุมพวกเธออยู่นี่พวกเธอเป็นผู้ลงมือฆ่าพวกเธอก็ต้องรับผลหนักกว่าเราเราเป็นเพียงว่ายินดีกับพวกเธอนิดหน่อยก็เลยได้มาเป็นผู้คุมของพวกเธอผลของกรรมอันนี้แหละของแต่ละท่านละท่านอย่าไปโกรธให้กันเถิดพนะยายม ถ้ากรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสนาเหมือนกันเหตุนั้นกรรมและผลของกรรมมีจึงเชื่อพระพุทธศาสนาตำมโนนาว่าจะเรโกะทาไมคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันจึงไม่การร่ําการรวยก็เหมือนกันผิวพรรณวันณะก็ไม่เหมือนกันจิตใจคอก็เหมือนกันอายุก็ไม่เหมือนกันเพราะ ผลของกรรมที่ทำไว้ไม่เหมือนกันผู้มีอายุยืนก็พระไม่เบียดเบียนสัตว์แต่ชาติก่อนผู้มีอายุสั้นก็ตรงงานข้ามทั้งมีอายุยืนด้วยทั้งไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยผู้มีอายุยืนใช่เฉยแต่เคยได้เขียนตีสัตว์แต่ก็ต้องมีโรคมากผู้มีอายุยืนทั้งไม่ไม่มีโรคเบียดเบียนมีแต่โรคชราสิ่งเดียวก็คือหลวงปู่เทศ เ็าเคยไม่ได้ไม่ได้เคยเบียดเบียนเขียนสัตว์นะผู้ที่เกิดมาสร้างสมพอจะได้ก็ไม่ได้เพราะเป็นยังไงเพราะแต่ก่อนขาดการให้ทานอยากมีสเสน่ห์ก็จงให้ทานอยากมีอายุยืนนานก็จงรักษาศีลไม่อยากหลงก็จงภาวนา พ, อพอระกกโลมาศตรตระวิชาสเสน่ห์นี วิชาสเสน่ห์บอกไว้แล้ววิชาได้ใน ไ, ไตรโลกธาตุเป็นวิชาสเสน่ห์วิชาปลดเรียนปลดภัยพระพุทธศาสนามีพราะมมดเอา้าถ้าซับโลกมีเสี้ยนห้าบอลลีบูลต่างคนก็ต่างมีเสี้ยนห้าบอรลบูลที่นี้สงขรามก็ไม่มี ชีกขโมยก็ไม่มีเรือนจำก็ไม่มีโท่ตรวนก็ไม่มีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีนอนก็ไม่สะดุ้งผวาเพราะไม่มีเวรอยู่รอบข้างใช่หรือไม่นั่นนั่นเพียงเส้นห้าเท่านั้นโลกสงบแล้วเหตุนั้นพระบรมศาสตราจึงทรงสนเสริญศีลเป็นเบื้องต้นศีลังโลกเกอนุตตโรศีลเป็นเยี่ยมในโลก อธิโลเกศิรโคโนศีลมีคุณชัด จ, จังโสดใจย่นุตถยาความสัตว์ก็มีอยู่ในโลกแล้วเห็นอะไรบ้างเรามีสุขที่ไหนมาลองดูดูพรุ่งนี้ก็หายินอีกถ้าไม่ตายหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกหายใจออกแล้วก็หายใจเข้าก็เกิดอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่หายใจเข้าออกนั่นเอง ก้อนเกิดถ้าหายใจเข้าออกอยู่เ้าเรียกว่าก้อนเกิดและก็มีก้อนตายอยู่ด้วยถ้าไม่ออกก็ต้องตายนะก้อนเกิดอยู่ที่ไหนก้อนแก่ก้อนเก็ บ, ก, ก, บก้อนตาย ก, ก็อยู่ที่นั้นอะไรพาให้เกิดก็คือความโง่ความหลงของพวกเรานนัเองพาให้เกิดเรียกว่าอาวิชชาอาวิชชามียกิยาไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุเกิดทุก ไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้จักทางดำเนินให้ถึงความดับทุกข์ไม่ได้รู้จักอดีตโยงใสอนาคตไม่รู้จักอนาคตโยงใสอดีตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยไม่รู้ทั้งปฏิจจสมุ ป, ปบาทที่เกี่ยวข้องกันเป็นสายให้มาเกิดอวิชชาแปลว่าความโง่ไม่รู้จักจักปฏิบัติออกเป็นเหตุให้เกิดสังขาร สังขารมีปุญญาพิสังขารอปุญญาพิสังขารอเนียนชาพิสังขารเป็นต้นปุญญาพิสังขารอภพิสังขารคือบุญอปุญญาพิสังขารอภพิสังขารคือบาปอเนียชาพิสังขารอภพิสังขารคืออเนียนชาถ้าไปติดอยู่แต่เพียงสมาธิแล้วตายไปแล้วก็ไปเกิดเป็นธมาุ่งยังไม่พ้นทุกแต่ก็ยังดีกว่าไปนรกสังขารเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณ จักระเป็ญาณวิ็ญาณทางดวงตาโสตะเปญาณเป็ญาณทางหูคณะวิญญาณเป็ญาณทางลิ้นกายยะเป็ญาณเป็ญาณทางกายมะโนวิญญาณวิ็ญาณทางกายเปญาณทั้งหนี้เองสัตว์ทั้งหลายยึดถือเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลมีอัตตาทุปาทานเป็นหัวหน้าของอุปาทานทั้งปวง ถ้าชนะอัตวาทุประธานเนี่ยอุปท า, านเท่านไหนก็เตะก็เจิงไปนะที่นั้นเองนี่ทําเบื้องสูงที่สุดเนี่ยพูดเบื้องสูงลงมาหาต่ําพูดเบื้องต่ําลงไปหาสูงหายใจเข้าออกยาวก็หายออกจากูกจมูกให้เองก็มีบันไดอันเดียวขึ้นไปหาสูงแล้วก็ลงมาต่ําขึ้นมาต่ําลงหาสูงสั้นไปซั้ามาอยู่อย่างนั้น เราเดินก็เหมือนกันมีก้าวสั้นบ้าก้าวยาวบ้าเราฟันไม้ก็เหมือนกันก็มีบาดค้อยบาดแรงบ้าเศีลก็ตัดเศษลงในใจสมาธิตั้งมั่นลงในทใจปัญญาก็รอบรู้ในทใจถ้าศีลสูงสมาธิก็สูงปัญญาก็สูงศรษเบื้องต้นของพรห ม, มจรรย์เบื้องต้นของพระพุทธศาสนาคือเศรษฐาบริบูรณ์ ไม่ใช่ได้อยากรูลงละเมิดศีลห้าไม่ใช่ได้อยากจะ่วงอบายมุขไม่ใช่ไดยอยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ไดยอยากจะถือเลิกดียามีไม่ใช่ได้อยากจะถือศ า, ออ า, อาอสนาอื่นด้วยนี่คือศีลของพระโสดาบันเมื่อถึงพระโสดาบันแล้วสกทาคามีอน า, าคาเมอัลหันก็เปิดประตูไปในตัว ถึงสุปฏิปนโนแล้วเขาเรียกว่าบาลมีแก่กล้ามาแล้วจะออกไปเข้าสู่พระนิพานได้โดยเร็วไม่ช้าเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ยังเป็นโลกีอยู่ทำแปลว่าทรงไว้ทรงไว้ซึ่งโลกีทำทรงไว้ซึ่งโลกุตระทำํากว่าพระโสดาบันลงมาก็เป็นโลกีทม นับแต่โลกุตตระธรรมก็นับแต่พระสวัสดิบาลไปท่านพ้นจากกิเลสเป็นเอกเทศแล้วไม่ขบดคืนพระอรหันต์พ้นจากกิเลสโดยสิ้นเชิงพ้นจากความหลงโดยสิ้นเชิงไม่หลงในปัจจุบันไม่หลงในอดีตไม่หลงในอนาคตไม่หลงในที่ใดใดทั้งสิ้นราคาของพระสวัสดาบันน้อยลงมาก หยาบยาราคาโทรศัโมหะของปศดาบันหยาบหยาบขาดไปแล้วไม่ใช่ได้อยากจะล่วงละเมิดสินห้าข่าสัตว์รักรรทรัพย์ปิดพฤตในกรรมพูปปดปดดื่มสุราขาดไปแล้วนะไม่ใช่ได้ล่วงละเมิดไม่ใช่ได้อยากจะถืออยู่ยงคงกระพันไม่ใช่ได้อยากจะถือเลิกดีงามนี้เห็นอันนี้จังเป็นเครื่องหมายของปัญญา สิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องแ ป, ปลปวนนแต่กระจายไปด้านปัญญาเห็นอ น, นิจจังเป็นหลักเมื่อเห็นอ น, นิจจังเป็นหลักแล้วก็เห็นทุกทรัพย์ยุทธ์อยู่ด้วยก็เห็นอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสรัพยยุทธ์อยู่ด้วยก็ออนับวันจะสูงขึ้นไปอ่ะด้านปัญญาเห็นอ น, นิจจังเป็นหลักเมื่อเห็นอนิจจังเป็นหลักแล้วก็เห็นทุกทรัพยยุทธ์อยู่ด้วยก็เห็นอนัตตาสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนสรัพยยุทธอยู่ด้วยก็ออนับวันจะสูงขึ้นไปกล้าขายก็มีขอบเขต ไม่ใช่ได้ค่าขายนะเครื่องประหารค่าขายมานุษย์ค่าขายสัตว์เป็นเรื่อสัตว์ที่ตัวค่าเพื่อเป็นอาหารค่าขายน้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้ายอย่างนี้พระสวัสดาิบาลไม่ใช่ไดยร่วงละเมิดเลยสิ่งไหนที่ท่านไม่ใช่ได้ร่วงละเมิดสิ่งนั้นก็ไม่หนักใจเราไม่ใช่ได้อยากจะเอาน้ำลายคืนมาใส่ปาก มันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักใจเพราะเหตุใดเพราะเราบื่อทิ้งแล้วมันไม่มีประโยชน์เราไม่ใช่ได้อยากจะเอาอุจจาระมายัดใส่ทองอีกมันหนักใจไหมมันก็ไม่หนักเพราะถ่ายออกแล้วทําไมจะไม่ใช่ได้เพราะมันไม่มีประโยชน์เราไม่ใช่ได้อยากรองรุยหลุมสารเพลิงมันหนักใจไหมมันไม่หนักใจเพราะเห็นวนะ่ามันไม่มีประโยชน์มีแต่ทางชีพหายมีแต่ทางเดือดร้อนะ เห็นชัดอย่างนั้นแล้วฉไฉจะขบฏคืนตนเองได้ใครเห็นก็ไม่เท่าตนเห็นเห็นฉะนั้นพระธรรมจึงมันอยากเป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกในพระสวสดาบาลมันสันทิฏฐิโกเป็นเอกเทศเบื้องต้นสันทิฏฐิโกเห็นเองในสักคาคามีละเอียดไปกว่านั้นสันทิฏฐิโกในอนาคารีก็ละเอียดไปกว่านั้นสันทิฏฐิโกเห็นเองไม่เสียดายอยากจะล่วงกามมารมเสียเลย ไม่ใช่ได้อยากจะมีโทสะลมเลยไม่ใช่ได้ส่วนโมหะยังมีอันละเอียบพระอนาคามีถ้าถึงโสดาบันสักทาคามีอนาคามีแล้วมันก็เข้าสู่พระานเป็นวันทางเข้าสู่พระานไปละทีนี้ราคะไม่มีพระโสดาบันมีราคะอยู่แต่ไม่ร่วงละเมิดสามีและภรรยาของตน ไม่ขงมขืนใครทั้งส้นไม่ล่วงละเมิดสามีภรรยาของตนพระสวสดาวันมีโทสะอยู่แต่แม้ถึงกับจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตให้ตายนะแต่พวกเราคิดตรงกันข้ามถ้ามีสินห้าแล้วเราจะไปกินอะไรวาอย่างนั้นก็เราลองดูมีสินห้าดูหมดดูสักร้อยคนพันคนดูดูเราถ้าเราอดตาย แล้วก็จึงไปบนว่าอีตาสิ ท, ทธะมาสอนให้ข้าอดอยากข้ารักษาศีลห้ามาหลายปีแล้วข้าไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่ทุกข์กับทุกข์ก็ให้ดา่าอีตาสิ ท, ทธะดูสินี่มันไม่ได้ด่าซเนี่ยเพราะไม่ปฏิบัตินั่นทุกข์ไหมพวกเราทั้งหลายมากกักจะเป็นอย่างนั้นคนในห้าพันล้านในโลก จะมีเสี้นห้าอยู่พอพันพอพันล้านหรือไม่ก็คงจะไม่พอถ้าไม่พอแล้วการบัญญัติสิ่งไหนก็เข้าข้างตัวผู้มีเจตมากก็เข้าข้างตัวมากผู้มีเลตน้อยก็เข้าข้างตัวมากน้อยพราะบรมศาสนบัญญัติอะไรไม่มีกิเลสเลยเป็นประโยชน์แก่คนจนคนรวยคนชั้นสูงชั้นต่ำเสมอกันหมด ใครปฏิบัตน้อยก็ได้น้อยใครปฏิบัติมากก็ได้ ม, มากอะไรวิ่งเข้าจมูกมาทราบต้ช่างหัวมันบาปบาปมันเป็นตัวยังไงบุญมันเป็นตัวยังไงทําไมเราจึงไมว่าอย่างนั้นก็เพราะเราบารามีแก่กล้ามาแล้วเราจึงไม่ยืนยันอย่างนั้นถ้าเราพูดอย่างนั้น มันมันมันไม่เป็นเครื่องอบอุ่นใจของเราจึงเป็นเหตุให้เราชวนชิดถ้าเป็นเหตุให้เราชวนชิดก็เพราะเหตุว่าบารมีของเราแก่กล้ามาแล้วขอให้เข้าใจอย่างนั้นถึงแม้จะมีผู้เขารับรับถือพระพุทธศาสนาน้อยกว่าตามผู้ที่แม่ถือก็เท่าขนโคผู้ที่ถือก็เท่าเขาโคถึงอย่างนั้นก็ยังเป็นเครื่องอบอุ่นของชาวโลกอยู่ ถ้าไม่มีผู้รับถือพระพุทธศา ส, สนาเลยแม้แต่นิดเดียว ค, ความอบอุ่นของโลกจะมีจากประตูไหนเอา้าเสียงร้องไห้ร้องห่มเสียงสาบเสียงแช่งกินของโลกจะเป็นยังไงถ้าไม่มีพระพุทธศา ส, สนาแส้แสงอยู่ในโลกก็กินเหม็นเราดีๆนี่เองพระฝังไม่ทันเผาไม่ทันที่มีคนปู่คนย่าคนตาคนยายคนหนูออคนน้อง ปะพนกันอยู่บ้างก็เพราะมีพระพุทธศาสนาถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนะก็มีแต่เสียงด่าเสียงบน่นเสียงสาบเสียงแค่งกันเองสวัสดีคุณป้าคุณลุงคุณหนูมาจากไหนก็มาจากอายุวันโนชุขังพลังของพระใช่ไหมนั่นถ้าไมมีอายุวันโนสุขังพลังของพระแล้วก็เสียงสาบเสียงแฉ่งเต็มโลก กฎหมายโคตหมู่โคตรภาคโพว ก, ก, ก, กของชาวโลกตั้งขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดกรรมและผลของกรรมไม่อยู่ถ้าผลของกรรมกรรมและผลของกรรมไม่มีเราก็ไม่เชื่อพระพุทธศาสน า, าเหมือนกันกรรมและผลของกรรมมันมีอยู่จึงเชื่อพระพุทธศาสนาเอ้าพูดเชไ่อใดมาอะไรทางเทียไม่สอบมันไปได้ไหมมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมแต่กระเจิง ถ้าเราเชื่อกรรมและผลของกรรมก็เท่ากับไม่เชื่อพระพุทธธรมรมอสงฆ์เองถ้าไม่เชื่อกรรมและผลของกรรมที่ทําดีทําชั่วมันก็ไม่เชื่อรพระพุทธศาสนาเหมือนกันและก็ไม่เชื่อตัวเราเองเหมือนกันและก็ไม่ที่มีที่พึ่งของใจของตัวเองเองเหมือนกันตัวเองถือว่าไม่มีบาปไม่บุญจะเอาพึ่งที่ไหนเสียงยืนยันว่าไม่มีบาปไม่บุญนั่นเองคือเป็นเสียงเจอะเสียงกุดฝังตัวใช่หรือไม่ที่ก็เหนื่อย พอสมัวรแล้วเนอจะให้พู ด, ดยังไงอีกเรื่องภาวนาชั้นสูงเอา้าเห็นอานิจังคณะคิดเดียวเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วพราะโลกจะไปด้วยอานิจังเห็นทุกคณะคิดหนึ่ ง, ก, ง, ก, ง, ก, ง, งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วคือโลกจะไปด้วยกองทุกขเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวตนไม่อยู่ในอำนาจวาสนาของใครก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วถ้าอย่างนั้นก็ไม่มีท่านผู้อะไรจะข้าทะเลหลงของตนไปซัก เนี่ยฉะนั้นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปได้ไม่ได้เอาหลงบวกหลงเอาฉลาดบวกฉลาดพระพุทธศาสน า, าสอนให้ลดตำแหน่งความหลงให้ลดตาแหนง่งอันไม่มีสติให้ลดตำแหน่งความโหดร้ายแล้วเอาเครื่องสะอาดสะอาดเข้ามาทรงจิตใจเพราะจิตใจของมนุษ ไม่สมฐานะจะเอาความเบียดเบียนมาเป็นนายเอาความเมตตากรุณามามีปานาที่บาตเป็นต้นจึงสมมนุษย์เหตุนั้นพระบระมาศาสตร์จึงสอนให้ปลดอาวุธปลดอาวุธอันไม่ดีสักลูกหลานเอ๋ยเอาอาวุธอันดีนขึ้นใส่คิดใจอาหารของใจเอาอาหารอันดีดีอาหารอันไม่เบียดเบียนการมาั่วตกความติในทางกามไม่มีในท่านผู้ใด พยาบาทวิตกความตฤณธรรมไม่พยาบาทมีอยู่ในท่านผู้ใดความเบียดเบียนไม่มีในหัวใจท่านผู้ใดผู้นั้นเป็นคนแก่แล้วจะผมดํำสนิดก็ตามถ้าไม่ส่งเสริมความกรารมั่วิตกความติความส่งเสริมตามในในจิตใจแล้วพยาบาทม่ตกไม่ส่งเสริมไม่ฟอกฟูนในใจมนิสัยวิตก ไม่พ่กคูในใจแล้วจะผมดําสนิทก็ตามก็คือคนแก่ทําแก่วไนยพระบรมศาสน า, ศ า, ศ า, ศาจะแก่ทําแก่เจะแก่สักเพียงไหนจนแก้มตอบปัญหา ก, ก็ตามถ้ามีกรารมเ่ววตรกพยาบาววิตกวิหิงสาววิตกบํารุงหัวใจอยู่เลี้ยงหัวใจอยู่ก็เรียกว่าเด็ดพระบรมศาสน า, ศาพูดตามจริงไม่ได้พูดกระท้อกระเทือนใครเลยพระพุทธศาสน า, าไม่ส่งเสริมละเมียง ลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทากติลําเอียงเพราะความไม่ชอบกันเรียกโทสากติลําเอียงเพระาะเขาเรียกโมหาคติลําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่ควรประพฤติอธิบายลําเอียงสี่ประการดูดูดลําเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกฉันทาคติคืออะไรคือรักมันมันจะทํำผิดสักเพียงไหนก็ตามก็ต้องให้คะแนนมัน ก็ต้องอุ้ ม, มันไว้ เ, เรียกลาเอียงเพราะความรักใคร่กันเรียกจำถากติน้ําเอียงเพราะความไม่ชอบการเรียกโทสากติคืออะไรมันทําดีสักเพียงไหนก็าตามมาให้คะแนนมันรังเกียจมันอิจฉามันลิษยามันเนีย่ยเเรียกว่า้ําเอียงเพราะความไม่ชอบการเรียกโทสากติน้ําเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติคือยังไงกลัวอิทธิพลมันมันจะทําผิดสักเพียงไหนก็าตาม ไม่ต้องว่ากล่าวมันไม่ต้องตักเตือนมันไม่ต้องไปจับกลุมคุมตัวมันลำเอียงพ่อกลัวเรียกพยาคติเรียกว่ามันทําผิดสักเพียงไหนก็ตามไม่กล้าไปจับมันเพราะเก่งทางมืดมันจะฆ่าทิ้งลำเอียงพ่อเขาเลียกโมหาคติคืออะไรคือขบเรื่องอันนั้นไม่ออกก็เลยลำเอียงพ่อเขา คบอธิกรณ์อันนั้นไม่ไม่ออกว่ามันมันจะผิดหรือจะถูกเรียกว่าคบไม่แตกถ้าใครกับผู้ขบพระพุทธศาสนาไม่แตกนี่เองเรกรงว่าพระพุทธศาสนาจะพาอดตายถ้าปฏิบัติศีลห้านี่ก็เรียกลำเอียงพ่อเขาอยากโมหะคติอคติสีประการนี้ไม่ควรประพฤตินะพระบรมศาสลาสิ่งไหนที่พระบรมศาลาไม่สอนไม่มีสอนมด ในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรมสมบัตินิพพานสมบัติอา้าวสิ่งไหไม่สอนไม้มีสอนว่าแล้วเรื่องกีวันเบญธาบาัตเสนาสะและเพศสัตว์ที่อยู่ที่อาศัยก็เหมือนกันสอนว่าทุกอย่างสอนทั้งยืนทั้งเดินทั้งนั่งทั้งนอนด้วยพวกเธอนอนให้กราบพระเสียก่อนเน อ, อพระบรมาสารีรัตอย่านอนเหมือนหมูเหมือนโครกระเบื้อให้พุโทโธธรรมโอสังโฆเสียก่อนพุโทโธธรรมโอสังโฆก็อยู่ที่หัวใจของพวกคุณทั้งหลายนั่นเอง อย่าเข้าใจว่ามามาอยู่กับเราถ้าเข้าใจว่าหมุมาอยู่กับเรา <c oughs> ก็คล้ายๆกับว่าเสียเปรียบเราไม่อยากไหว้เราผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมผู้ใดประพฤติธรรมผู้นั้นประพฤติเราผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นจะมาจับชายจีวรเราอยู่ก็เรียกว่าไม่เห็นเราพระบรมศาสดาสอนอย่างนั้นคําว่าพุโทโธก็พุโทโธอยู่ที่ดวงใจของพวกเธอนั่นเองธรรมโม้ก็เหมือนกันสังโฆก็เหมือนกันแต่พวกเธอนั้น เป็นพุทโธในชันสาวกสาวิกาเราเป็นพุทโธในชั้นสัมมาสัพพุโตเพราะเราปริฐานาพุทธสัมมาสัพพุโตธรรมบรมศาสนาพวกเธอไม่ได้ปราฐถนาสัมมาสัพพุโธก็เป็นสัพพุทโธก็เป็นพุทโธสาวกโอพุทโธสาวิกาพุทโธพระเจ้าไม่ได้พูดไม่ได้พูดเขาเรียกพุทธสีจําพวกสัมมาสัพพุทธจําพวกหมือนมัจเจกับพุทธจําพวกหมือนสาวกสาวิกาพุทธจําพวกมัน พุทธเป็นเอกเทศที่นี่พระโสดาบันเป็นสาวโกโอพุทธเอกเทศพระสักคาคาเมียก็เอกเทศพระอนาคามีก็เป็นเอกเทศพระนัน์เป็นส า, สาวโกโอพุทโธเต็มภูมิแล้วนะพุทโธคาเดียวส่งต่อพระเนพานหมดพุทโธชาวโลกพุทโธเลขพุทโธขาพุทโธบัตรพุทโธเบอถูกไ้ย ทำแต่ละวรรบาตส่งต่อพระนิพพานหมดมันขึ้นอยู่กับบารามีของแต่ละท่านแต่ละคนที่สร้างมาเช่นพระพาหิยะก็พระมรรศาสาศาเทศคำเดียวเท่านั้นไปรกวนท่านพระเทศน์ฟังเทศไ์เเ่ข้าพราะองค์ฟังด้วยเออเรากำลังบินฑบาทอยู่ไม่เหมาะสม อบางทีพระบระมภาษณ์ธนาสิ้นลมปราณเดี๋ยวเนี่ยก็ได้บางทีกระผมสิ้นลมปรานเดี๋ยวเนี่ยก็ได้เออถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากเป็นแต่สักว่ารู้เป็นแต่สักว่าเห็นเนอครับพอแล้วเพราะเขาสร้างเพราะท่านสร้างวารมีแก่กล้ามาแล้วคำว่าพอแล้วหมายความว่าถึงพระรหัสแตกสารในปฏิสัมพันธ์สีแล้วนะคำว่าพอแล้วนคำว่าเป็นแต่สักว่ารูปเป็นแต่สักว่าเห็นต้องอธิบายอีกเสียก่อน เขาไม่ยึดถือผยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลไม่สําคัญตัวน้นเป็นผู้รู้ผู้เห็นเป็นทศกวาเห็นเป็นทศกว่ารู้เมื่อไม่มีผู้ยึดถือแล้วมานะทิฏฐิราคะโทสะโมหะมันก็ไม่มีมันก็เป็นแต่สักกล้สังขารและคําพูดเท่านั้นพูดอยู่ทุกเดี๋ยวนี้ก็เป็นสังขารอยู่ทุกคําพระนิพพานไม่ได้มาพูดด้วยไม่ได้มาฟังด้วยที่เราพูดเราฟังกันอยู่เดี๋ยวนี้ก็คือสังขารในกองทุกข์พระนิพพานไม่ได้มาฟังด้วย ไม่ได้มาแย่งด้วยทีนี้ต่อไปก็ให้พรนะเอแล้วก็เทศไม่มีเอวังจะมีเอวังยังไงแก่เก็บตายมันไม่ลงธรรมาทิโรคปวดหลงก็ไม่ลงธรรมามันไม่อยู่นี่เออถ้ามันพ้นแล้วมันก็ไม่มาอีกะถ้ามันพ้นจริงจริงแก่เก็บตายก็ไม่ลงธรรมาเวลาล่วงไปล่วงไปก็ไม่ลงธรรมาทิมันก็ไม่มีเอวังทุกประจําโลกอยู่ไม่มีกลางังกลางคืนทําไฟเกิดไฟดับ ก็เกิดก็ดับอยู่ไม่มีกลาวันกลางคื น, นทำฟ้าไม่เกิดไม่ดับก็ไม่เกิดไม่ดับอยู่ไม่มีกลาวันกัางคืนทำทั้งสองทางนั้นไม่ยืนยันว่าจะเป็นของใครเหตุนั้นจึงตรงกับคําว่าสัพเพธรมมานตาติยาทาวาทิวาภูราปฏิปุรินติสาลังเลวเมว ย, ม ย, มยตูทินาเปตานังมุ ป, ปาคปติมิจตังมัจิตังตุมหังคิพะเ ม, มิวัสเมชะตุสัพเพตุเินทุสังกาปาจันโทปนารโสยถามริโชติราโสยถา พระพิทยัะสโสยยสัโรภิญนตุมาเตพบวัตุอันตรายโยตุขีทีคาโยโภพระอภิวาทนาสีนิสานิจังมุทารจายโนจัตตารธรมาวัันติอายุวันโสุขังทีนีทีนี้ที น, ท น, ท น, ท น, ทนี้ท่าย่บทท่ายบ ท, ท, ยบทอนัตตาบาททุกขกับสมุทยัยเป็นอนัตตาบาปเป็นของควรเว้น มักกับนิโรธเป็นอนัตตาที่ควรทำให้แจ้งอัตตาก็เหมือนกันอัตตาทางวาเป็นฝ่ายละอัตตาทางบุญเป็นฝ่ายเจริญอัตตาทางว่าคณิพานเป็นอนัตตาที่ทำให้แจ้งให้พ้นไปมันจะยากอะไรเราไปเอาอัตตาอนัตตามาเป็นสงครามกันอาจจะแท้กก็เอาความหลงของตนมาเป็นสงครามตนเองใช่ไหมเอาละที่นี่ ฉันทะฉันทะพอใจรักใคร่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิริยะเพียนมันประกอบในกรรมฐานที่ตั้งไว้จิจตะเอาใจฟักใ่ในกรรมฐานที่ตั้งไว้วิมังสามัน ต, ตรองพิจารณาเหตุผลในกรรมฐานที่ตั้งไว้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 ท่านะคือทำแรงกาลังห้าอย่างมีรวมอยู่เท่านี้เองลมหายใจเข้าออกเป็นกรรมฐานเลิศในทางพพุทธศาสนาพุทโธคุณของพุทธธรรมสงก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความตายก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกความเกิดดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกทำอันไม่เกิดไม่ดับก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกสังขารก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกพระนิพานก็มีอยู่ทุกลมหายใจเข้าออก เอาลมหลายใจเข้าออกเป็นกระจกเงาเป็นแว่นเป็นกล้องจุลทัศน์เป็นสติเป็นปัญญาเป็นตัวสีเป็นตัวสมาธิเป็นตัวปัญญากลมกลืนกันอยู่แปดหมืน่นสีพระธรรมขันดึงมาใส่ลมหายใจเข้าออกได้ทั้งนั้นคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอยู่ไม่มีข้างหน้าข้างหลังเหมือนลมหายใจเข้าออกถ้าตั้งลมหายใจเข้าออกมั่นแล้ว ก็มาทานอื่นๆดึงมารวมอยู่ที่นั่นได้เหมือนเข็มทิศดึงเหมือนทิศเหนือดึงเข็มทิศขึ้นไปสู่ข้างบนเหมือนทะเลดึงหน้ามาห้วยาน้องของเบริ่งบางๆๆต่างๆไล่ลงไปสู่รวมตนเองเข้าใจละสินี่ยชีทิตเสมอกันก็มีอยู่ว่าทํำดีก็ได้ดีเสมอกันตามส่วนคนข้าของเหตุที่ทําน้อยและมาก ทำชั่วก็ได้ชั่วสมัยกันตามสวนควรค่าของเหตุที่ทาน้อยแล้วมากทำหรือไม่ทำมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นผู้พาทำผู้ที่ไม่ทำคือใครคือพระทหารไม่มีที่ทำแล้วท่านพ้นจากที่ทาไปแล้วแต่วพวกเรายังไม่พ้นก็ต้องมีที่ทำอยู่ก็ต้องละชั่วทำดีส่วนพระทหารชั่วท่านก็ละควหมดแล้วดีท่านก็ทำหมดแล้ว แต่นัธัไม่ทำอะไรซสีแล้วพระมดจิตยาที่จะทำเรียวกว่าหมดจิตในพระพุทธศาสนาแต่พวกเราดีก็ยังทำไม่พอชั่วก็ยังละไม่พอก็ต้องทำทำสองโลกิยธรรมโลกุตตธรรมโลกุตตธรรมนับแต่โซเปเทพโนเป็นต้นไปจนถึงสามีเจต่ํากานั่นลงมาเป็นโลกีโลกีก็มีหลายชั้น ฉันมนุษย์ธรรมดามนุษย์สามัญคือยังไม่ถึงสุปฏิพโนเรียวกว่ามนุษย์สามัญสัตว์ทได้ฌานเปตอสุรกายหรือเปตทุกชนิดหรือนรกทุกชนิดหรือเทวดาทุกชนิดเทวดาที่เป็นโลกีก็มีเทวดาที่เป็นโล ก, กุตระก็มี เทวดาที่เป็นโลกีก็คือเทวดานอกพระพุทธศาสนาเทวดาที่เป็นโลกุตระที่ถึงสุพิจปโนแล้วแต่ยังไม่ข่้นทัานเข้าสู่พระา槃ก็คือเทวดาโลกุตระถ้าเป็นผู้ผู้หญิงถ้าเป็นเพศชายก็เป็นเทวบุตรเทพสามสมมติเทพเทวดาโดยสมมุติ คือเวดารดาผู้ยาตาโทษตลอดทั้งท่านผู้มีคุณเรียกเทวดาสมุติเทดวดาโดยกาเนิดคือเทวดาในสวงสวรรค์บ้างเทวดาต้นไม้ภูเขาบ้างต่อห้วเราดอยบ้างเทวดาไม่สุดที่เทพแบ่ออกเป็นสี่จำพูกเทพสาแบ่ออกเป็นสี่จำพวก่าง วิสุทธิเทพเทวราที่เป็นเทวราเทวบุตรที่เป็นพระสุปฏิปันโนที่เป็นอุชุปฏิปันโนที่เป็นยายะปฏิปันโนที่เป็นสามีจิปฏิปันโนเรียกว่าวิสุทธิเทพเต็มภูมิตามก่อนหน้าลงมาเป็นวิสุทธิเทพเป็นเอกเทศสิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจากรุ่งนั้นเพราะมีหลายชั้นทําไมจึงมีหลายชั้น พระกรรมไม่อยู่ระดับเดียวกันกรรมวุนาวัตติโลกโกสัตวโลกย่อมเปลียนไปตามธรรมคำว่าสัตว์โลกไม้ไม้จากไหนก็ไมายจากพระอนาคามีลงมาเพราะยังไม่ถึงอรหันต์เต็มภูมิมาจนถึงพระสุปฏิปนโนส่วนสุปฏิปนโนนั่นถึงโลกุตระเป็นเอกเทศอุชุกยายะสามี จึงวรีบูนอุชุสุปัจญันโนอชุหมายถึงสกทาคามียายะหมายถึงพระอนาคามีสามีจิหมายถึงพระอาาาหระหันต์เทพวริสุธ์แดนะ่ะวิสุทธิเทพอย่างเต็มภูมิวิสุทธิเทพเป็นเอกเทศคือสุปัจญันโนกับอชุกับยายะนับทางมากด้วยศรดาวัจจะมรดุศรดาปัจจะผลเป็นคู่ที่หนึ่ง สักคาใครมักสกทาคคยผลเป็นผู้ที่สองอาคาใครมักอาคาใคผลเป็นผู้ที่สามอรหัตตมักอรหัตตผลเป็นผู้ที่สี่นับยงองเป็นแปดเป็นประเภทหนึ่งสวดารปติมักสองสวดารปฏิผลสามสักทาใคยมักสี่สักทาคายผลห้าห้าอนณาคามักหกอาคาใครผลเจดอรหัตตมักแปดอรหัตตผลแต่ละพวกราพวกก็มีต่างล้าน เอสาพวัวโตสศร้สร้างโคนี่เนอสาวกของพระพุทธมีพระเก้ า, าอาเนยโยปาเหนยยทักขิเหนยนเรลี่ยกรณี อ, อนุตรังปุนยักเถตตังโลกัดสาติเป็นนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นเลี่งไปกว่าเป็นของควรคำนับเป็นของควรเป็นผู้ควรของบูชาเป็นผู้ควรของทำบุญเป็นผู้ควรรับทักขีนาทานเอสาพักวโตสศร้าสร้างโคนี่เนอสาวกของพระพุทมีพระเก้า ไม่ได้ยืนยันว่าสายนั้นสายนี้เป็นสาวกของเราธรรมยุทธหรือมหานิกายก็มาได้ยืนยันยืนยันแต่เพียงว่าสุภิญโุชุยยายะสามีจนับทั้งผู้อยู่ในมรดุด้วยเป็นสาวกของพระพุทธศาสนานับทั้งเพศทศวาร ด, ด้วยจะเดินโยกรมภาวนาตลอดรุ่งตลอดค่ำก็าตามถ้ายังเสียดายอยากร่องระเมินเสียน่า ถ้ายังเสียดายอยากจะล่วงอบายามุกอยู่มันก็ไม่ใช่พระโสดาบันมันเป็นพระโสดันโสดาโสคาษคณีดันทุรังเอาแต่ความเห็นของตนเดาทุรังเอาแต่ความเห็นของตนไม่เป็นธรรมาทีปิปไต่ธรรมาทีปิปไตยแล้วดิ่งออกจากความเผิด เตลิดไปถึงสุปฏิปโนชุยายาสามีเป็นลําดับเรียกว่าเป็นธรร ม, มาเทปไตยเหลือนอกนั้นเป็นโลกาเิปไตยวนเวียนอยู่อูปันจะขันใจไม่มั่นยืนยันว่าตนคงไม่พ้นยาพิษมารเผาจิตโก็เขาถือเอาเป็นเหตุตกในเขตปั้นน้ําให้เป็นตัวมัวเมาหลายกลายเป็นอดีตความเกียอยู่ผู้รู้อนาคตรอบให้หมดอนัตตาธรรมกรรมจะไม่นําติดต่อขอพบ ใจถูกลบลงถึงทาว่าไม่อยู่ห่างทางไปในพานถ้าเชี่ยวชาญเดินมัดเทวถีต่อติดดีไม่มีวันเว้นใจก็เด่นเห็นธรรมไม่ตายจะบรรยายไปหลายก็หลากก่อนจะมากออกจากอันเดียวหลงอันเดียวก็เที่ยวสงสารอยู่นานเนิ่นช้าหลงหนังอันเดียวก็เที่ยวอยู่ในสงสารอยู่นานเนิ่นช้าอันนี้เป็นธรรมอันชั้นสูงของผู้จะต้องการจะพ้นในปัจจุบันชาติ โอ๊ยเมื่อยเลวพ่อเนี่ยหล่อใจวันปฏิบัติยังไงเนี่ยชี้ทำทาทำท่างเก่งภานไนก็ตามยังเสียดายโดนระเบิดเส้นหาโยยังเสียดายอยากเหรียญอวัยโยกก็มันวอแมนพูดสิไปสู้พระในผ่านง่ายพูดส่องเที่ยวยังไงวัดตาสงสารนานเป็นยังช่งเสียดายเพราะเห็นว่ามันเสียได้ประโยชน์อันการว่าเสียเห็นว่ามันได้ประโยชน์มันก็เป็นมิตรชาทิฏฐิเอาเห็นผิดเนี่ยมิจฉาทิฏฐิซะ วิถีวิปัโนคือวิบัติด้วยวิถีวิถทิตฐิสมปโนจึงพรอมด้วยทิติถ้ามีความเห็นผิดแล้วสมาทิติแล้วก็สมาทักปรวาจากัมมันโตอาชิววามโมสติสมาธิมันก็ผิดไปโดยลำดับกันสมาทิตธิของปัจสดาวันสมาทิติของสักขาคามีสมาทิตธิของพระนะ อนาคามีสมาธิทิฏของพระอรหันต์พระอรหันต์เรียนสมาธิทิฏจบแล้วเห็นชอบแล้วเห็นว่าโรคโกรธหลงไม่มีในคันธันดานของเราแล้วเกิดอีกไม่มีในเราแล้วนั่นเรียกว่ามหาสมาธิิสมาธิเิื้องต้นของพระสวดา์บันก็ดังกล่าวที่มาแล้วนี้ดังกล่าวมาแล้วนี่เองถ้าสําคัญว่าอบายมุขทุกประเภทจะเป็นของเจริญอยู่ก็เรียกว่ามิจฉาทิฏกเห็นกันง่ายๆจะทําท่าทําทางสักเพียงไหนก็ตาม มันก็ยังไม่ถึงโลกุตระมันก็ยังความเป็นโลกียอยู่